พรธรรมเทศนาแผ่นที่98ลําดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอาศัยป่าต้องรักษาป่าวันนี้เป็นวันที่28 รกรกฎาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำนั้นหลือแรม9ค่ำแล้ว น, นะการสัตายาญาติโยมเมื่อวานเป็นวันพระหลวงพ่อไน้ออกไปธุระเมื่อวานกลับมาตอนเย็นแต่ก็เหนื่อยนะแต่ก็เห็นสัตยาญาติโยมลูกหลานเป็นวันพระเป็นวันพระแรก ของการเข้าพรรษาหลวงพ่อก็อยากจะมาพบเจอคณะทศ า, ายาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมลงมาเมื่อคืนก็ได้พูดแนะนวคณะทธายาิโยมควรจะรู้ก็จะเข้าใจในบางประเด็นเพราะวิชาในโลกนี้มีมากมายวิชาธรรมะ ที่พวกเราจะเข้าใจหรือจะสนศึกษาก็ไม่แพ้กันเหมือนกันอย่างวิชาทางโลกเมือ่อเคยเนี่ยฝนตกสามสี่ห้าทุ่มหลวงพ่อก็ดีใจนะเพราะดีใจยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ปลูกป่าเพราะหลวงพ่อเน้นปลูกป่านะปีนี้นะคณาต า, ายาิโยม ให้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะเราปราบกอไผ่ลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่ว่างเยอะในวัดเกือบสามสิบไร่วันนั้นหลวงพ่อจึงให้ปลูกป่าตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ขอก้าไม้จากคุณนายท่านพลตรีหญิง ที่เป็นคุณนายท่านสุวัตรริมปตะพันรบที่ลูกชายคุณหลวงมาบวชที่นี่ก็ได้พูดกับท่านท่านก็ให้ทางป่าไม้ส่งกล่าไม้เข้ามาแล้วก็เราไปไปขอกล่าไม้จากอำเภอสังคมอีกที่เขาศูนย์เพาะชำเขตหนองคายก็ามาปลูกอีก ปลูกเพื่อหวังผลปลูกทีสักหน่อยถ้ามันต้นไหนมันตายก็ต้นอื่นก็จะได้ขึ้นมาได้ถ้ามันไม่ตายต่อไปภายภาคหน้าเราก็ค่อยภาษาทางอีสานมาย้อนมันออกหรือว่าตัดมันออกเพื่อสะสางสะสางให้ต้นที่มีกำลังมันขึ้น เราพูดคอยว่ากันทีหลังแต่คุณนายท่านคุณโยมท่านก็ยังมีน้ำใจมาปลูกป่าอีกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทางที่ท่านสั่งมาให้ลูกน้องมาดูแล้วท่านก็มาดูมาปลูกด้วยตนเองอีกพ่านหลวงพ่อก็ได้ไปช่วยช่วยดูปลูกป่า แล้วก็เมื่อไม่นานมาเนี้ยหลวงพ่อเห็นว่ามันยังว่างอยู่หลวงพ่อกนะับกับพระเนเนกับพระลูกหลานทั้งหลายที่เป็นนวกะควรจะปลูกป่าเป็นอนุสร์ไว้เหมือนกันนะการรวบรวมกับกกกพี่น้องชาวบ้านลูกหลานทุกคนปลูกป่าเมื่อวันที่ยนะี่สิบสองน่นคืองวดสุดท้ายละ่ะฝนก็ไม่ตกเพิ่งมาตกตกเมื่อคืนเนี่ย ปลูกได้สองวันสามวันผลเพิ่งมาตกลงหลวงพ่อเออดีใจเฮผลตกถูกต้นไม้แต่ก็คงจะอับเฉาคงจะตายเป็นบางต้นเหมือนกันแต่ก็ได้บอกพระถ้าต้นไหนตายก็จะไปขุดออกนะพงโคนเงามันมีอยู่ไม้สักมันไม่ตายง่ายบางทีก็ตายก็มีแต่ก็ปลูกกลางๆอีกเสริมขึ้นอีกหากลรามาเสริมขึ้นอีก เพื่อจะปลูกป่าให้เต็มเพื่อรักษาป่าแต่ก็นี่นะ่ะประมาณเดือน ก, กรกฎาสิงหากันยาถ้าตุลาไปแล้วก็ยาก็อ่อนละแตหมดกำลังละคงจะไม่ได้ดูแลถ้าตุลาพฤศจิกาธัานวากันะเราก็หยุดการกา ร, รักษาแหละก็ตัดรอบจุดท้าย ถาผลลากยาวขนาดเราไปตัดเดือนพฤจิการชั่ครอบนึงแล้วก็จบแล้วจะไหนโ่นนะนนะไหเดือนพฤษภาจึงจะ ร, รักษาต่ออีกอันนี้แหละคือการรักษาป่าเมื่อปลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องรักษาจะไหนรักษาป่ารักษา พ, ษา พ, ษาพษืชวัชพืชมาให้มัน ค, มคุมต้นไม้ที่เราที่เราปลูก ก็ต้องใช้เวลาประมาณสามปีนะคณาสทายาธรวมที่หลวงพ่อได้สังเกตต้นไม้ในวัดของเราเนี่ยสามปีจึงจะผลจากวัชพืชขึ้นมาบ้านได้จากนั้นก็ค่อยตัดค่อยแทะไปบ้างรักษาไปบ้างก็ไม่หนักหนาที่นี่ถ้าเกินสามปีไปแล้วปีที่สี่ที่ห้าที่หกแต่สามปีแรกเนีนะ่ต้องได้ใช้ทุนพอสมควรอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็ถามเท่าแกวา เแ่าแกได้ใช้เงินเท่าไหร่ค่าตัดยากขาเนี่ยหมดไปสี่หมื่ใช่หมสี่หมื่นกว่าใช่ 40, 000, อเออนั่นเลยผู้ใดก็าตามนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยถ้าได้ยินเสียงหลวงพ่อเออข่าพรเจ้าได้นั่งไม้นอนเตียงไม้ได้ใช้บานไม้แต่ไม่รู้ไม้มันเกิดมาจากไหนเอามาจากป่าเราไม่เคยทดแทน ไม่เคยคิดเลยที่จะปลูกป่าแทนเอามานะส่งให้เนี่ยโยงให้เท่าแก่เพื่อจะรักษาป่าเปลว่าใช้นิ่ใช้นิบาปกรรมที่ตนเองได้ไปตัดป่าแล้วไม่ได้โทษไม่ได้ทษแทนเอาไว้ถ้าใครจำเนึ้ได้เอามานะหลวงพ่อจะให้มารักษาป่าหลวงพ่อก็จะรักษาเหมือนกัน บอกเลยว่าหลงปีนี้3ปีเนี่ยหลวงพ่อจะรักษาป่าจุดนี้ให้ได้ให้มันเป็นป่าขึ้นมาให้ได้ไม้ประดูมักข่าตะเคียนทองไม้สัก3ามสี่หไม้เนี่ยนะไม้พยุงบ้างแล้วกับไม้จำนวนอื่นพวกไม้หมักผลพวกลูกใสลูกใสลูกว่าลูกหมักเม่าลูกตากบ ลูกอะไรก็ตามนะลูกชมพู่มะม่วงข่าหนุนถ้ามีก็ปลูกเข้าไปเลยแซมแซมเข้าไปเลยเพื่อเป็นอาหารของสัตว์เหล่านั้นที่ผลไม้นะเราจะปลูกแต่ปลูกประดู่มะข่าตะเคียนทองอย่างเดียวเป็นไม้ผลที่เราต้องการเราจะได้แก่นมันมาทำการทำงานแต่พวกไม้ผลเหล่านั้นเพื่อให้สรัทสาลาสิงอยู่ในวัดของเรา เลี้ยงข้างบางชนีนกหนูปูปีปกอะไรอตลอดถึงหมดะลยให้มันได้ยุดให้อยู่ได้กินผลไม้เหล่านั้นที่มันหล่นล่วงหล่นลงมาในดินมันเป็นประโยชน์อาหารสําหรับสัตว์ทั้งนั้นแหละ เ, เราอยู่ในโลกเนี้มันก็ต้องใครใครใครก็ไม่อยากจะเกิดเป็นสัตว์หรอกมันก็อยากจะเป็นเทวดาด้วยกันทุกคนอยากจะเป็นอินเป็นพรมแต่เป็นไม่ได้ แในเมื่อไม่เป็นไม่ได้ก็เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็นับว่าโชคดีอย่างพวกเราแต่มันเป็นสัตว์จะทำยังไงมันก็หิวโหยเหมือนกันสัปเเพสัตตาอาหารเรทีกาสัพพสัตวทั้งหลายในโลกเป็นอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นเราถึงเราเป็นมนุษย์เป็นผู้มีปัญญากว่าสัตว์ทั้งหลายก็ควรจะเลี้ยงพวกสัตว์เหล่านั้นด้วยก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหน เราปลูกป่าขึ้นมากับปลูกไม้เหล่านั้นแซมเข้าไปเพื่อให้มันเป็นหมากผลตกหล่นลงไปเลี้ยงพวกนกพวกกระพวกกลาลิงข้างบางชนีลิงของเราจะใช่ย่อยเมื่อไหร่อีลงตรงนังไปหมดลิงของเราก็มากพอสมควรนะถ้าเราปลูกมากผลละหมากรากไม้เหล่านั้นขึ้นมามันก็จะได้ดิกอยู่ได้กินด้วยพวกสมโพธิมะม่วง ขันนุนขันนุนของเราเนี่ยปลูกมากต่อมากไม่เคยได้กินลูกนะพวกเราสังเกตไหมพอมันโตขึ้นมากําลังจะสุกแล้วนะนะเรีงกัดทีแรกก็ไม่กล้ากัดเหมือนกันนะมันเหนียวมันมียางไงพอมันกัดเข้าไปแต่นี่มันก็คงจะหลับหูหลับตากัดถึงยางจะออกมาติดไม้ติดมือติดปากมันก็หวังข้างในเใช่ไหอหวังข้างในกัด จนได้กินข้างในเข้ามาแล้วจะนี่ยางมันก็หมดแล้วจะนี่เนีะพอตัวหนึ่งได้กินตัวสองก็มากินอีกตัวสามก็มากินอีกก็คงจะยางมันคงจะติดเหมือนกันะะนะอผลที่สุดก็หมดลูกเลยเบื่อวะไปหมดนะมันไม่ใช่ตะลิงนะพวกกรอกกระแตอีกต่างหากมาเสริมเข้าไปกลางคืนกับพวกบางบางตองบางนั่นละ่ะมากินอีก สรุปแล้วก็คือเป็นประโยชน์ต่อสัพสัตนี่แหละมาม่วงก็มเหมือนกันกระบกนะทุกกวันในลูกกระบกนะไปเห็นแต่ละต้นเสียงกระรอกร้องสนานวันไว้ข้างบนแต่ข้างล่างพวกกระแตกลางคืนหนูหนูป่านี่แหละอันนี้ก็คือสัตว์ในวัดของเราเพราะนั้นพวกเราต้องมองมองภาพรวมสัพสัต ที่อยู่ด้วยกันเว้นเสียแต่ตัวไหนที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็จับมันออกอย่างงูเหลือมนะถต่งูเหลือมไม่ได้ถ้าเห็นเห็นแลยต้องจับต้องลุมกันจับจับไม่รู้กี่ตัวแล้วจงอางจับงูเห่าจับขนาดแมวก็ยังจับนะกูบายังจับเอาไปปล่อยที่อื่นแมวทาไมจึงแต่อื่นเขาเลี้ยงแมวในวัดแต่ลงทองเราทำไมไม่ให้เลี้ยง หลวงพ่อบอกเลยหลวงตาก็ไม่ให้เลี้ยงนะเลี้ยงแมวในวัดมันว่ามันเป็นสัตว์ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นพอเลี้ยงเข้าไปมันไปกินกระรอกกินกระแตเออมันกินหนูอีกต่างหากกระรอกกระแตหัวปุดหัวขาดเป็นกลางวันมันจะฉลาดนะเวลาเห็นกระรอกลงมาเนี่ยมันจะเอาหางก้มันติ้นกุดกดกุดกุกุดกุดกุดกุดกนะดอุดกเดกุดกุดกุดกุดกุดกุดกุดกุดก พอไปเห็นหางแมวที่มันกระดุกกระดิกเนีมันไปมองตะหางแมวนะตัวแมวมันไม่ได้ดูเออร้องเปาะเปาะเปาะไกล้ๆแจ๊กแ๊กแจ๊กๆจ๊กเนี่ยพอพอเขามาใกล้ๆเนี่ยแมวมันกระโดดปั๊บเตะคบเลยกี้ๆเจออะไรเจอเนี่ยําคอเลยเออเอาไปกินยหัวปุดหัวขาดเนี่นี่แหละ มันเป็นสัตว์ที่เบียดเบียดสัตว์อื่นเราควรจะจับออกไปนอกวัดนะนักเลงนะนักเลงไม่ควรจะให้อยู่กับสัตว์ทั้งหลายเป็นพิษเป็นภัยอันตรายเนี่ยหลงตาหมาบัวท่านนจับออกนะอันนี้ก็เมื่อวานก่อนหรือสักวันพระท่านก็จับออกเหมือนกันนะจับแมวออกนอกวัดนะนี่แหละอันนี้ก็คือสัพพสัตว์เพราะนั้นพวกเรา ปีนี้นะจะเป็นผู้ใดใครก็ตามปิดเจตนาหรือว่าความประสงค์ของโรงพ่อจะให้ดูแลรักษาปฉพเพื่อให้ต้นไม้ผิดผลขึ้นมาให้เป็นเป็นป่าขึ้นมาพวกครูบากงเหมือนกันครูบาก็ไม่ใช่มารลุมมาตุไปทั้งวัดไม่ใช่นะควรจะแบ่งกันพระเก่า ที่มีอายุพัรษาหนึ่งสองพรษาเวลาโยมเข้ามาตัดไม้กควรจะไปดูสักสามสี่องค์ก็ไม่ใช่มาตัดทุกวันเดี๋ยวนี้เขาหยุดไปแล้วเนี่ยวันไหนเขามาตัดเราก็เออเอาคนไหนเป็นเวรของใครไปอำนวยความสะดวกให้ดูน้ำมีน้ำไหมน้ำแข็งมีไหมมันร้อนน้ำอะไรที่ให้เขาอยู่เขากินน้ชงน้ำชากาแฟเลี้ยงเขาบ้าง จริงเราเี่พระกูบาทั้งหลายก็อำนวยความสะดวกในการดูของเขาแต่ไม่ใช่ให้ไปทุกองแบ่งกันไปเป็นเวนของใครนี่แหละให้เป็นหูเป็นตายช่วยกันเพราะวัดวาศาสนาไม่ใช่ของหลวงพ่ออย่างที่พูดแล้วถ้าปลูกขึ้นมาแล้วเป็นของขายหลวงพ่อก็ไม่คิดว่าจะใช้มันอีก แ, แตถ้ามันโตไม่ทันหลวงพ่อจะตายก่อนแล้วเที่มันจะเป็นแก่น ก็ไม่แน่เหบางกันละ ว, วะบางทีอายุถึงร้อยยี่สิบปีอาจจะได้ใช้นะแต่ลุงพ่อไม่ยืนทังขนาดนั้นหรือลูกหลานเะนลุงพ่อก็ว่าไปอย่างงั้นนะถ้าร้อยี่สิบปีลุงพ่อไปที่ไหนก็คงจะออกคางขากันไกลเกาะไปเลืเกาะลูกกงไปเรื่อยเพราะมันแก่ใช่ไหมนี่แหละแต่ถึงยังไงป่าก็คือรักช่วยกัน ร, รักษารักษาป่า เป็นธรรมชาติอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดป่ากับวัดป่ากับพระพุทธศาสนานี่มันเป็นของคู่กันมาตั้งแต่ดึกดำบันตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ในป่าประสูตรประสูในป่าใช่ไหมสวนลุมพินีป่าป่าที่นางสิริมหามายาเดินทางเพื่อไปคลอดไป ประสูดพระโอรสที่ตระกูลเมืองวิเทหะพอไปถึงครึ่งทางอยู่ในป่านางก็ประสูตดพระพุทธเจ้าของเราประสูตดในป่าจากนั้นกระตั้สรู้ในป่าอีกปริเนียพานในป่าอีกในสวนของมันรักษัตริย์เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของป่าเพราะฉะนั้นพวกเรา ถึงจะมาอยู่ป่าก็เถอะตรงไหนที่มันร่อยหล่ อ, อลงไปพวกเราก็ควรจะเสริมขึ้นมาปลูกขึ้นมาให้มันเต็มขึ้นมาซะในจุดนั้นก็พร้อมกันกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพนกหนูปูปีกทั้งหลายก็ต้องอาศัยอาหารในป่าเนี่ยก็คือผลลัพธ์กลากไม้หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเป็นอาหารของสัพพสัต อย่างขนุนน่ยมันก็เป็นเกือบเป็นระยะยาวนานทั้งหน้าแรงมันก็เป็นเหมือนกันนะถ้าเรารักษาดีนะแต่มะม่วงเป็นหน้าเดียวลูกว่าเป็นหน้าเดียวมักเมาเป็นหน้าเดียวแต่ลูกตะกบเลยเป็นตลอดทั้งทั้งแรงทั้งฝนมันก็เป็นอาหารของสัตว์ของนกอย่างลิงเองลูกไส้มันก็ผัดเปลี่ยนกันนะมันไม่ใช่เป็นหน้าเดียวมันมะม่วงมะม่วงเป็นหน้าเดียวแต่ลูกไส้มันจะผัดเปลี่ยนกัน ตนนึงอาจจะเป็นเดือนม ก, กราคมพามีนามประ จ, จมุนเวียนกันทั้งปีบางทีปีละสองครั้งพวกปลูกใส่ที่เราสังเกตสังเกตนะมันก็เกิดมาก็เพื่อเป็นอาหารของสรพสัตทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้เราก็ปลูกไว้อีกเหมือนกันเราไม่ได้มองแต่ผลประโยชน์เราอย่างเดียวเราก็มองผลประโยชน์ต่อสัพสัตทั้งหลายด้วย มันผิดไหมที่เราปลูกป่าพระพุทธเจ้าเกิดในป่าตัดรู้ในป่าปริเนีพผานในป่าไปอ่านดูสิจริงไหมหลวงพ่อเอาคําจริงมาพูดในเมื่อพวกเรามาอยู่ในป่าวัดป่านาคําน้อยของเราแต่เราจะปลูกป่าให้เสริมปลูกป่าให้เสริมมันจะผิดที่ตรงไหนฮะเพราะว่าเราปลูกเราไม่ได้โค่นได้ตัดแต่เราตัดผิดนะพระตัด ต้นไม้นะได้ยาผิดพเพราะนั้นให้พวกญาติโยมเขาดูเพียงแต่เราอไปช่วยจูอำนวยความสะดวกไปดูกับเขานะไม่เห็นวัชพืชมันขุมต้นไม้อนะน่ะแต่พระไปทําเองไม่ได้นะแต่พระทาเองได้กนะ็คงจะไม่มีปัญหาอในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าภิกษุอยู่บวชเข้ามาแล้วนะท่านก็ไดย้ยานะ่ะ ท่านจะได้ยาตัดต้นไม้ตักแต่งกิ่งต้นไม้อะไรลักษณะอย่างนั้นแต่นิสสัจนาอื่นไม่ใช่พุทธศาสานาศาสนาเมืองอินเดียมีตังเยอะแยะไปหมดนะศาสนาอื่นเขาบอกเนี่ยพระในพุทธศาสานาเนี่ยสากยบุตรทําไมไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้มันมีวิญญาณนะ อ, อไปฆ่าเมื่อก็ฆ่าสัตว์นั่นนะตัดต้นไม้มันเกิดขึ้นมาเนก็มีวิญญาณ ทำไมไปตัดมันพระมีไม่มีเมตตาพระพระพุทธศ า, ธาสนาไร้เมตตาไม่มีเมตตาทีนี้คนทั้งหลายก็พูดกว้างขวางกันไปเรื่อยเอแต่พระองค์บอกว่าต้นไม้ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวิญญาณมีแต่ธาตุสี่ตนเองจิตวิญญาณไม่มีในต้นไม้มีแต่ธาตุสี่มันผสมกันขึ้นมาแล้วก็เป็นตน้น แต่สัพสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อยที่กระโดดโลดเต้นได้ที่มันร้องยิ้ยิ้จัดจัดเป็นปลวกเป็นมดอันนั้นคือวิญญาณสัตว์เหล่านั้นไปฆ่ามันไม่ได้เป็นอ ბ ัติภิกษุกรแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายต้องปาจิตตีแก้แกล้งฆ่าสัตริรฉานให้ตายต้องปาจิตตีที่นี้ท่านก็ไม่ได้บัญญัติต้นไม้เพราะต้นไม้ตัดได้เพราะไม่มีวิญญาณเข้าไปครองพระสงฆ์ท่านหลายท่านก็ได้ญาติตัดต้นไม้ แต่งกิ่งต้นไม้ลักษณะอย่างนั้นท่านี้คนทั้งหลายก็ติฉินนินทาส ม, มณะไม่มีเมตตาสัคยสมณะสักยบุตรเป็นบุตรของพรนะพุทธเจ้าเนไม่มีเมตตาตัดต้นไม้ทําลายต้นไม้ต้นไม้มีวิญญาณได้เสียงต่อปากปากต่อปากคำต่อคาคนก็ไม่นับถือเลื่อมใสเพราะว่าพระไม่มีเมตตาใช เขาก็ไม่ใส่บาตรเขาดูถูกพระพระพุทธศาสนาพระสักกายบุตรไร้เมตตาพระองค์เห็นไม่เกิดประโยชน์ถึงเราถึง ว, ว่าไม่มีวิญญาณก็เถอะแต่โลกของเขาต่อต้านเขาไม่ยอมรับพระองค์ก็แค่เขาเหมือนกันนะไม่ใช่ดันทุลังนะ พ, พระพุทธเจ้าถ้าทำตามกระแสโลกไหม พวกราให้ดูให้ฟังเอาไว้เนี่ยอย่างนี้นะพระพุทธองค์ก็แครแค่โลกเหมือนกันอแแค่กระแสของโลกเหมือนกันอท่านก็เรียกประชุมสง เ, เรียกประชุ ม, ชมสงสงมาพร้อมกันลนะ่ะโป่งประกาศนี่นะเดี๋ยวนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ น, นี่ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิกสุใดก็ตามภาคของเขียว ซึ่งอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ตองปาจิตีสินขาดไปข้อหนึ่งคือไม่ให้พระดายาไม่ให้พระตัดต้นไม้ไม่ใหพระขุดดินดินเขาก็บ่มีวิญญาณอีกภิกษุขุดเองก็ดีให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตีเนี่ยมันด้ยาบางทีมันก็ขุดดินด้วยใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นอบัติปาจิตีเนี่ยทั้งที่หลวงวิน ต้นไม้ก็ดีดินก็ดีไม่มีวิญญาณแต่ว่าอาชาวโลกเขาในยุคสมัยนั้นเขาแอนตี้เข า, anti, เาไม่ยอม เ, อเขาว่าวินดินก็ดีต้นไม้ก็ดีมีวิญญาณถ้าไปทำร้ายไปทำร้ายขุดดินไปขุดตัดต้นไม้เนย เ, เหมือนกับไปฆ่าสัตว์สัมมนาเป็นผู้ไม่มีศีลสัมมนาชีพรามณ์เป็นผู้ไม่มีศีลไม่น่านับถือเลื่อมใส เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นไม่ได้ประกาศพระาศาสนาไม่ไปเพราะคนเพราะคน ย, ยกประเด็นนี้ขึ้นมานพระองค์ก็บัญญัติวินัยขึ้นมาเ น, นี่ยนี่แหละลูกหลานคณะสัายาติยมวินัยของพระสงฆ์นะ227สิน227ข้อน่ที่หลวงพ่อพูดไว้างเนี่ยแหละสินในกลุ่มนั้นล่ะกลุ่ม220 227ข้อนั่นแหะที่ว่าเ น, นี่ยเพราะนั้นพระในวัดของเราจึงไม่ให้มีการ ได้ยาถอนยาตัดต้นไม้เพราะผิดสินแต่ว่าเอาจัา ย, ยาิโยมก็าทำก็เออเเพื่อดูแลวัชพืชรักษาต้นหนึ่งต้องก็ต้องเอาญ้าออกถ้ามันหยาคุมขึ้นมาแล้วทาไงต้นไม้เลื้อยไปหมดนะเพราะยามันคุมมันขึ้นไ ม, มไม่ได้ถาววันมันคุมต้นไม้ขึ้นไม่ได้เพรดังนั้นเราต้องช่วยกันรักษาการรักษาอย่างที่ลงเท่าแก่พูดเมื่อกี้นะ ต้องหาคนมาชาวบ้านมาต้องไหวจ้างเขาเพื่อหาวัชพืชเอาวัชพืชเพื่อรักษาต้นไม้นี่แหละผู้ใดก็ตามนะถ้าได้นั่งเตียงสวยๆในบ้านสวยๆได้นั่งต้นไม้บ้านสวย ๆ, วยๆที่ได้อาศัยต้นไม้เราได้มาจากใครเราได้มาเราซื้อมา ซื้อมาซื้อมาจากไหนเนี่ยตรงมันเกิดมาจากป่าเนี่ยนั่นแหละตรงทดแทนนะตรงทดแทนตรงทดแทนป่าถ้าไม่ทดแทนป่าหมดจะทาไงแปลว่าถ้าใครก็ตาม ร, ร, รู้รู้สึกและเลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ที่เราได้ใช้มนะันเราควรจะมาปลูกป่าทดแทนนะหลวงพ่อว่าใช่ใช่ใช้หนี้กรรม กรรมคือ <c oughs> ตัวเองนี้ก็ทำไปไปเอาไม้มาใช้แล้วนะแล้วต้องไปปลูกป่าทดแทนนะมนจึงจะถูกนะหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นความเห็นหลวงพ่อแล้วนะไอ้พวกเราคิดคิดดูก็แล้วกันแต่ถึงอย่างไรก็ให้ช่วยกันดูแลรักษาป่านะเพื่อให้อยู่ในวัดวาศาธนาอย่างที่เราได้พูดนะเพราะวัดของเราก็มีกำแพงหลวงตาทำทาให้แล้วรอมรอบปีกต่างหากักกาแพงรอมรอบ แล้วก็ปลูกป่าป่าดูมักค่าแต่เคียนทองไม้สักไม้ใหญ่ๆขึ้นมาในเนื้อที่ตั้งพันสามร้อยกว่าไร่ทามันใหญ่สมบูรณ์ขึ้นมาหลวงพ่อเป็นป่าที่สมบูรณ์ทีเดียวเราก็ไม่ได้ปลูกเพื่อเป็นเศรษฐกุลเศรษฐกิจไม่ได้คิดเพื่อซื้อเพื่อขายทั้งนั้นแหละแต่ตัวไหนที่มันตายมันแก่มันตายหรือเออเราก็มาทํามาใช้งานซะ แต่ก่อนที่จะใช้งานกัดูดูกันให้ช่วยๆกันคิดให้มันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเขาขออนุญาตอย่างไรมันจึงจะถูกถ้าเราโดยทำโดยพระการมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเราอยู่ในบ้านในเมืองในประเทศชาติต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบของเขาถ้าเราอยู่คนเดียวหนึ่งอยู่ในหลังยอด ภูเขาหิมัลัยไม่มีใครนะเราจะทํำยังไงก็ได้จะโกนยังไงก็ได้จะทํำยังไงก็ได้อยู่คนเดียวนะถ้าอยู่สองคนขึ้นไปก็ต้องระวังถ้าอยู่เป็นหกสล้านคนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเราก็ต้องเคารพ ก, กฎกติกาซึ่งกันและกันมันจึงจะถูกนะเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นสัตวพรรคสัตว์พวกสัตว์หมู่สัตว์กลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต้องมีกฎกติกามีต้องกฎระเบียบ กระดาษพระสงฆ์เข้ามาใหม่ๆข้างนนยังไม่มีกฎระเบียบเพราะปวดเข้ามาไหมถ้ามาอยู่นานๆเข้าไปได้แต่ก็มีกฎระเบียบมีวินัยมีกฎกติกาบ้านเมืองของเราก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันมากๆก็ต้องมีกฎหมายอยู่ในกฎหมายเป็นผู้ควบคุมกฎหมายคือเป็นบรรทัดเป็นเช่นบรรทัดทุกคนอย่านี้ออกเช่นบรรทัดนี้นะท่านนะ หลวงพ่อพูดแต่ธรรมะคำสั่งสอนอย่างอื่นทำให้พวกลูกหลานได้คิดแต่วันนี้หลวงพ่อพูดเบาๆให้เป็นแนวความคิดกับธรรมชาติเห็นไหมพอพูดเสียงนกลางนกกระรางมันร้องขึ้นมาพอแล้วหลวงพ่อพ่อพ่อพ่อวานะอ่ารับพอในทีนี้นะ